รู้จักกา ร, รมสุขและเศรษบริโภคอย่างมีปัญญาที่ทำให้เป็นอิสระเสรีความสุขมีหลากหลายสุขขึ้นไปตามลำดับขั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุถึงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกรรมและความสุขอย่างอื่นที่ปราณีจิ้งไปกว่านั้นแล้วจึงทรงยืนยันได้ว่าจะไม่ทรงเวียนกลับมาหากรารมอีก แต่ถ้าพระองค์ยังไม่ทรงประสบความสุขที่พระนิชเช่นนั้นแล้วก็จะไม่ทรงสามารถยืนยันได้ว่าพระองค์จะไม่ทรงเวียนกลับมหากรมอีกพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสทำนองเตือนผู้ปฏิบัติธรรมให้ระลึกไว้ว่าถึงหากอริยสงฆ์จะมองเห็นอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญาว่าการมทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความขับแคนมาก โทษในกามนี้มากยิ่งนักแต่ถ้าอริยาสาวกนั้นยังไม่ประสบยังไม่รู้จักปีติและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามหรือความสุขที่พระนีจยิ่งไปกว่านั้นก็ยังวางใจไม่ได้ว่าเธอจะไม่วกเวียนกลับมาหาการอีกในทํานองเดียวกันได้ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายไว้โดยเฉพาะว่าถ้าผู้บวชแล้ว ยังมีได้ประสบปิติและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามหรือความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นกิเลสทั้งหลายเช่นอภิชาพยาบาทความฟุ้งซ่านเกียดคิครานเบื่อหน่ายก็จะเข้าครอบงำจิตได้หมายความว่าก็จะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์หรือทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ความที่ยกมาอ้างเหล่านี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาถือความสุขเป็นเรื่องสำคัญแล้วยังให้ข้อสังเกตต่อไปอีกว่าการที่อริยาสาวกละกามนั้นไม่ใช่เป็นเพราะการไม่มีความสุขหรือเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นความสุขพระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เป็นจริงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุความสุขและยอมรับว่ากามีความสุข แต่อริยาสาวกละ ก, กามเพราะเห็นว่ากามมีความสุขก็จริงแต่ยังปะปนด้วยทุกข์มากและข้อสําคัญก็คือยังมีความสุขอย่างอื่นที่สุขกว่าเลึกซึ้งประณีทกว่าสุขที่เกิดจากกามหรือความสุขที่เกิดจากการเสพส่วยรสอร่อยของโลกอย่างสามัญชนอริยาสาวกละ ก, กามก็เพราะได้ประสบความสุขที่พระนิทกว่านั้น ความข้อนี้แสดงว่าความสุขมีแตกต่างกันเป็นขั้นเป็นระดับสิ่งที่ควรศึกษาในตอนนี้ก็คือว่าพระพุทธศาสนาจัดแบ่งความสุขออกเป็นขั้นหรือระดับอย่างไรในคมภีอังคุตรณนิกายทุกการนิบาททรงจาแนกความสุขออกไปทั้งโดยประเภทและโดยระดับเป็นคู่ๆมากมายหลายคู่เช่นสุขของเขาฤ ห, หัสกับสุขของบรรชิต กามสุขกับเนคขามสุขโลกิยาสุขกับโลกุตระสุขสุขของพระอริยะกับสุขของปุถุชนเป็นต้นแต่วิธีแบ่งที่เป็นลําดับขั้นชัดเจนละเอียดและดูง่ายไม่ซับซ้อนนั่นจะได้แก่วิธีแบ่งเป็นสิบขั้นหรือความสุขสิบขั้นซึ่งมีในที่มาหลายแห่งแบ่งดังนี้หนึ่ง กามสุขสุขเนื่องด้วยกามได้แก่ความสุขสมณัสที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยกามคุณห้าสปฐมฌานสุขสุขเนื่องด้วยปฐมฌานซึ่งสงัดจากกามและอากุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกาคตา 3. าุติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยทุติยชาญซึ่งประกอบด้วยปีติสุขและเอกคัตา 4. ตติยชาญาสุขสุขเนื่องด้วยตติยชาญซึ่งประกอบด้วยสุขและเอกคัตาหาจตุทธฏชาญาสุขสุขเนื่องด้วยจตุทธฏชาญซึ่งประกอบด้วยอุเบขาและเอกคัตา ๖อาการสารนัญจายตนาสมาปัติสุขสุขเนื่องด้วยอาการสารนัญจายตนาสมาบัติซึ่งล่วงพ้นรูปสัญญาได้สิ้นเชิงปฏิค่าสัญญาล่วงไปหมดไม่มนัสิการนานตตสัญญานึกถึงแต่อากาศอันอันันเป็นอารมณ์ 7. วิญญาณัญจายตนาสมาปัฏิสุขสุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนาสมาบัติ ซึ่งคำหนึงวิญญาณอันอันนัเป็นอารมณ์ 8. อากินจัญญายตนาสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยอากินจัญญายตนาสมาบัติซึ่งคำหนึงภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ 9. เนวะสัญญานาสัญญายตนาสมาปัฏิสุขสุขเนื่องด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติอันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 10. สัญญาเวทายตานิโรธาสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทายตะนิโรธาสมาบัตอันถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดถ้าจะจัดให้ย่อเข้าสุขสิบข้อนี้รวมเข้าได้เป็นสมระดับคือหนึ่งการมสุขสุขเนื่องด้วยกาม ชางฌานสุขหรือสมาปฏิสุขคำว่าสมาปฏิสุขท่านวงเล็บข้างหน้าไว้ว่าอัฏฐะ 2. องฌา น, นสุขหรือสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยฌานหรือสุขเนื่องด้วยสมาบัติแแยกเป็นสองระดับย่อย 2.1. สุขนึ่งสุขในรูปฌานหรือสุขเนื่องด้วยรูปฌานสี่ .2 อสุขในอรูปปัจานหรือสุขเนื่องด้วยอรูปปัจานสี่สนิโรธสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยนิโรธาสมาบัตหรือนิโรสมาบัติสุขทั้งสิขั้นนี้ท่านยอมรับว่าเป็นความสุขทั้งนั้นหากแต่เป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตลึกซึ้งยิ่งกว่ากันขึ้นไปตามลำดับขั้น เพราะความสุขขัน้นต้นมีส่วนเสียหรือแง่ที่เป็นทุกข์แทรกอยู่ด้วยมากเมื่อเป็นสุขขั้นสูงขึ้นไปก็ยิงประนีตบริสุทธิ์มากขึ้นท่านสอนให้มองความสุขเหล่านั้นตามความเป็นจริงทั้งด้านที่เป็นสุขและด้านที่มีทุกข์เข้ามาปนคือมองทั้งส่วนดีและส่วนเสียหรือทั้งแง่ที่เป็นคุณและแง่ที่เป็นโทษเรียกเป็นคัพท์ว่า ทั้งอาสาทะและอาทินวะนอกจากนั้นยังให้รู้จักทางออกทางรอดพ้นหรือภาวะเป็นอิสระที่ดีกว่าซึ่งไม่ขึ้นต่อส่วนดีส่วนเสียนั้นด้วยเรียกเป็นศัพท์ว่านิสรณะเมื่อเห็นโทษของสุขที่หยาบก็จะหน่ายหายติดและโน้มใจไปหาสุขที่ประณีตยิ่งกว่า เมื่อรู้จักและได้ประสบความสุขที่พระนีตนประจักษ์กับตัวแล้วก็จะละความสุขที่หยาบกว่าเสียได้มุง่งบรรลุสุขที่พระนีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับอย่างน้อยก็จะไม่มัวเมาหมกมุ่นในสุขที่หยาบนั้นจนเกินไปเมื่อใดจิตหลุดพ้นเด็ดขาดแล้วตัดเยื่อใหญ่ได้แล้วก็จะไม่วกเวียนกลับมาหาความสุขที่หยาบอีกต่อไปคงสเสวยแต่สุขที่พระณีร สำหรับจิตที่เป็นอิสระอย่างเดียวข้อที่ว่านี้ก็เป็นลักษณะด้านหนึ่งของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเรื่องของจิตหลุดพ้นเด็ดขาดแล้วก็จะไม่กลับมาหาความสุขที่อยากอีกต่อไปจะเห็นได้ในตอนต้นๆแล้วว่าผู้ได้สุขในฌานสมาบัติที่วกเวียนกลับมาหาการมาสุขอีกมีตัวอย่างเป็นอันมากและหลายท่าน ได้สุขในฌานสมาบัติทั้งที่ยังอยู่ครองเรือนจึงเสพสวยสุขทั้งสองอย่างไปด้วยกันอย่างไรก็ดีท่านเหล่านี้ทั้งสองพวกย่อมมีพื้นความพร้อมมากกว่าคนทั่วไปที่จะสลัดการมมาสุขและเดินหน้าในการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไป